ชันใดเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันในทัศนคติของเราเนี่ยนะไม่รู้ทั้งเองียงทั้งเขทั้งเลสรารพัดอย่างเข้ามาเนี่ยนะจะต้องอาศัยคําสอนเป็นเหมือ น, านตาแว่นมาปรับให้มันพอดีให้มันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนให้เห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นเหตุวันนี้เหตุแห่งความสุขนี้เป็นเหตุแห่งความทุกนี้เหตุแห่งทุกโลกนี้นี้เหตุแห่งสุขโลกนี้แต่ทุกโลกหน้านี้เหตุแห่ง ทุกโลกนี้ด้วยทุกโลกหน้าด้วยเป็นตัวเนี่ยกวินิจฉัยจนเกิดความรู้ความเข้าใจให้มันถูกต้องเลยเนี่ยนะความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยท่านบอกว่าท่านให้ความสำคัญพอกับดวงตาเลยเท่ากับคนมีตาอ่าวันก่อนวันก่อนเดินเจืนอยู่ที่ใกล้งกลกุฏินี่นะมันมียอดเขาห ล, ลายๆเขาเล็กๆมีหลายลูกมากถ้าลองให้คนปิดตาหลับตาเดินดูสิมันอะไรจะเกิดขึ้นเหนไห เพราะมั น, ม, นมันจะมันบางที่มันจะเป็นเหวเนี่ยนะถ้าเดินเนี่ยนะมันจะเป็นเหวถ้ามีตาเา้ายังชั่วหน่อยัอยงจะดูซ้ายดูขวาดูระยะไกลดูระยะใกล้แล้วจะได้เดินทางถูกมันถ้ามองเห็นไกลๆเนี่ยนะด้วยอนุภาพของสายตาเนี่ยจะทําให้เราเลือกเส้นทางเดินที่เหมาะสมโดยที่ไม่มีอันตรายฉันใดเพราะอาศัยตาตาปัญญาก็เหมือนกันถ้าเรามีตาปัญญาเนี่ยนะเราจะมองการใช้ชีวิตที่ ที่สมที่เหมาะที่สมที่ถูกที่ต้องไอ้ที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรกําหนดได้เลยแม้กระทั่งชีวิตในชาตินี้เราชาตินี้เราควรมีความรู้ความเห็นเท่าไหร่แค่ไหนนะแต่ว่าเราต้องเพิ่มปัญญาของเราขนาดไหนเราควรมีควรมีความรู้ความเห็นความเข้าใจขนาดไหนขีดร่องให้ความเข้าใจของตัวเองให้ได้ว่าเราต้องเดินเส้นทางสายนี้นะเป็นทิฏฐิเพราะความเห็นคือการ ปฏิบัติเนี่ยนะให้ความสำคัญไว้เลยว่าอันดับแรกในพระศาสนานี้ให้ความสําคัญว่าความคิดเห็นความคิดเห็นการออกความเห็นตัวความเห็นนี่แหละคือตัวปฏิบัติทัานธรรมจักรกับประวัตนาสูตรให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องแรกเลยที่พระองค์ออกมาตรัสมางั้นเธอมัชชีมาปฏิปทาคือความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องคือการปฏิบัติแล้วในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะเรามีทัศนคติอ่อ ทัศนคติความคิดความเห็นอะไรตั่งที่มันผิดผิดอยู่เพราะถ้าเห็นถูกเราก็ต้องบรรลุสินี่ที่มันไม่บรรลุ ก, ก็แสดงว่าเรายังเห็นไม่ถูกหรือเห็นถูกก็เห็นไม่พอแล้วไอ้ที่พอที่ถูกที่เต็มมันควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับอันนี้ให้ไว้ให้มากเถอะเพราะอันนี้คือพระ อ, องค์บอกว่าคือสาระเนี่ยนะความเห็นเนี่ยคือความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยคือสาระ คือแก่นสารของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยนะให้คุณค่าให้ราคาว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีราคามากที่สุดเนี่ยนะที่จะทำให้เราประสบแต่ความทุกข์ตลอดไปหรือประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปก็อยู่ที่ความเห็นของเราเนี่ยนะโปรดให้ความสาคัญกับความเห็นให้มากที่สุดเขาเรียกว่าทิฏฐิเนยนะทิฏฐิ ปฏิสัมพิธามักนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องทิฏฐิเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วให้เลยแสดงเรื่องของทิฏฐิเนี่ยเจ็ดสิบสามทิฏฐิที่ถูกเขาเรียกว่าเจ็ดสิบสามยานนะฟังกนเจ็ดสิบสามยานะยาณะก็คือทิฏฐินั่นแหละแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเจ็ดสิบสองเอ่อเจ็ดสิบสามความเห็นที่ถูกต้องแล้วความเห็นที่ถูกต้องต้องเป็นไปตามลำดับอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีความเห็นที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้ง เกตสิบสามความเห็นนีนะพยายามอ่านเธอแต่ว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยคนมีปัญญาคนไ ม, ไม่ไม่มีปัญญาไม่ค่อยชอบหรอกเราก็รู้แต่ว่าเากว่าเกิดมาเนี่ยนะหลายคนก็ว่ากอ๊้เขานี่โง่โง่เอาโง่แล้วก็ปรารถนาความฉลาดได้ไม่ใช่หรือจะอ น, นุรักษ์นิยมไปทำไมเนี่ยนะใไมก็ตั้งความปรารถนาช่างมันเถอะเกิดมาไม่ค่อยฉลาด แต่ว่าขอบุญกุศลที่ได้ทํานี้จงเป็นไปเพื่อให้มีสติปัญญาขีดร่องของใจให้เป็นไปตามญาณเจ็ดสิบสามเหล่านี้แหละสมทานเลยขอให้มีความเห็นเนี่ยนะเห็นแล้วส่องเห็นญาณเจ็ดสิบสามญาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนส่องปั๊บเนี่ยลืมตาเห็นอะไรลืมตาปั๊บนี่เห็นเลยสุตตามมยญาณต่อไปสีละมยญาณมองเห็นสมาธิภาวนามยญาณมองเห็น ปั จ, จยะปริคหายานมองเห็นสัมมาสัญาณอุทยพพระยานวิปัสนาญาณอาทีนวายานพระยตูปทานัญาณเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมองเห็นวิปัสสน์มองเห็นทั้งหมดตามยานะที่พระพุทธเจ้าเพราะเมื่อใดเนาะที่เราลืมตาแล้วเราเห็นอย่างนี้หูได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงยาณะเหล่านี้มันสืบเนื่องเป็นไปนั่นเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ที่ถูกต้องอย่าคิดว่าสิ่งนี้เป็นของยากเกินกว่าที่เราจะ ไฝ่ฝันเรามีสิทธิ์ตั้งความปรารถนาได้วันนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอให้มีทิศทางให้มีใจไว้ก่อนนึกถึงตัวเองเนี่ยนะเราความงงให้ฟังนิดหนึ่งอุย้ยอ่านปฏิสัมพิธามเป็นวิชาที่ทั้งง่วงทงั้งอุย้ยอะไรสารพัดอยู่ในนั้นหมดแต่ว่ามีผู้สั่งว่าเธอต้องอ่านปฏิสัมพิธา3สามรอบหรือเจ็ดรอบก็ได้สั่งไวเลย เว้ยเราต้องทําอ่ะแต่ว่าเหตุเราก็เห็นด้วยมาพลิกดูโอ้มันดีอ่ะแต่ว่าทําไมมันยากทําไมอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่ทํายังไงก็นั่งลอกนั่งลอกลอกลอกลอกลอกลอกไปแล้วเว้ยหมดสมุดไปหลายเล่มมดก็หลายเล่มมากเลยลย่ะเกือบจะคืบมั้งนั่งลอกอยู่นั้นนะ่ะยิ่งลอกไปหนังสือยิ่งอ่านแทบไม่ออกเลยนะไม่รู้เป็นยังไงแทนที่จะพัฒนาขึ้นกับเร็วลงนะนะแต่ว่านั่งลอกอยังไม่ ปีหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องปีสองก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยปีที่สิบสองเนี่ยนะปีนี้ปีที่สิบสองเนี่ยนะถามว่าเป็นที่พอใจไหมก็บอกว่าเข้าใจแค่ไม่ถึงสิบเปอร์ซ็นตเนี่ยนะที่ต้องการร้อยเปอร์ซ็นตในปฏิสัมึกธรรมมักได้แค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่ต้องการแต่ก็ยังให้ความสําคัญเพราะนี้ที่พูดนี่ก็มันนี่คือการเรียนปฏิสัมึิธรมของต่อมาเหมือนกันเนี่ยนะนะก็เลยเป็นการมาเรียนเนี่ยนะมาเรียนะนะนะนะนะแล้วถามว่าถึงปิดเรียนก็ไม่ใช่จะเลิก เลิกไม่ได้วางงั้นเพราะว่าเราเลิกเมื่อไหร่เราก็เลิกเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะนั่นคือเส้นทางของสัมมาทิฏฐิที่เป็นความเห็นที่ถูกที่ตรงที่พระพุทธเจ้ า, ารับรองสรรเสริญที่พระสารีบุตรเอามาแสดงเพราะถ้าเราเข้าใจตามนี้ทั้งหมดเราจะเข้าใจเลยว่าทางดําเนินของพระพุธาาทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นใดทางดําเนินของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดทางดําเนินของพระพุทธสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้น ท่านเดินทางกันอย่างไรเราก็จะเห็นเส้นทางเดินของท่านเมื่อเราเห็นเส้นาทางเดินของท่านแล้วเนี่ยนะเราเดินตามไม่เดินตามค่อยว่าอีกทีขอให้เราเข้าใจก่อนเถอะว่าท่านเดินเส้นไหนท่านเดินทําไมทําไมท่านจึงคิดอย่างนั้นท่านคิดอย่างนั้นแล้วดีวิเศษอย่างไรเนี่ยนะอยากรู้อยากเข้าใจจริงๆค่อยความเห็นของปุถุชนนี่เราเข้าใจแล้วละ่ะที่แน่ๆยิ่งเห็นยิ่งเห็นเรื่องไหนก็กลับที่กลับมาก็เหมือนกับว่า ทั้งนั้นที่ที่เห็นเนี่ยนะจบลงด้วยความทุกจบลงด้วยโศกกะตริเทวะทุกขโทมาัตและอุปายาตแต่ความเห็นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากไปที่ไหนท่านก็บอกสุขเนาะสุขเนาะเนี่ยนะแล้วท่านอยู่ป่าก็บอกว่ามีความสุขอยู่บ้านท่านก็บอกว่ามีความสุขที่ไหนที่ท่านอยู่ที่นั่นเป็นที่ที่มีความสุขหมดทําไมล่ะหรือเรารังเกยียจความสุขล่ะเนี่ยนะเราไม่รังเกยียจความสุขหรอกแต่เราอยากรู้ว่าเส้นทางแห่งความสุขเรา ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยดำเนินเป็นอย่างไรบางคนก็บอกว่ายากไอ้ยากนี่มันยากใจหรอกเนื้อหาจริงๆอ่ะถ้าถ้ายากจริง ม, มีใครก็ทำหรอกแต่นี่แสดงว่าดีเคยได้ยินไหมว่าพร ะ, ะเขามีอยู่ในสูตรหนึ่งชื่อว่าธรรมเจติยสสูตรในความเป็นธรรมดีของพระธรรมเนี่ยนะถ้าสงสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลไม่มีใครปฏิบัติ ด, ด้วยหน้าหงิกหน้างอหน้าเง า, งาหน้าเครียด หน้าบึง้งหน้าตึงไม่มีเท่านั้นมีแต่ท่านเหล่านั้นต้องมีความสุขท่านต้องเห็นอะไรสักอย่างที่มันดีเป็นแน่ท่านจึงยิ้ม แ, มแมย้มแจ่มใสอยู่ในป่าอย่างมีความสุขเพราะท่านเหล่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนที่พูดคำนี่คือพระเจ้าปเปอร์เสซนที่โกศลออกมาพูดเลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันต้องดีแน่เพราะท่านเหล่านั้นเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาสารเป็นบุตรเศรษฐีขุห บ, บดีเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มเป็นต้นเนี่ยนะที่ ปกติแล้วก่อนจะมาบวชท่านเหล่านั้นคือผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยกา ร, รมาสุขทั้งหลายท่านมาอยู่ในป่าได้ยังไงแล้วท่านอยู่อย่างคนมีความสุขสุขจริงๆแล้วแล้วมันสุขยังไงเนี่ยนะอันนั้นคือความน่าอัศาจรรย์ของพระธรรมอันนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิความน่าอัศาจรรย์ของสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยบอกว่าผู้ที่จเจริญถูกมีแต่ปีติและสงมนัต ไม่ได้มีความเสียใจเลยมีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขอันนั้นเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่เป็นอมตะเป็นความสุขที่ดีจริงๆเนี่ยนะให้เราอยากคิดตามแบบท่านอ่ะท่านคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะท่านก็สมาทานธรรมังสระนังคัจฉ า, ามิขอเอาแนวทางนี้ก่อนอะนะเมื่อเรานับถือทึ่งที่สุดไม่ดีจริงแล้วค่อยเลิกเนี่ยนะเมื่อจําได้ทุกคําเข้าใจทั้งหมดเป๊ะหมดแล้วคิดตามท่านไม่ทุกกระบวนทุกกระเบียด ทุกตารางนิ้นเนี่ยนะคิดได้ตามท่านขยายได้เท่าท่านหมดเข้าใจเหมือนท่านหมดแล้วไม่ดีจริงแล้วก็ว่าอีกทีแต่ตอนนี้มันได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแต่ว่าให้มันได้ร้อยปอร์ซ็นก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนึ่งมันก็มันตั้งใจสมาทานอธิษฐานว่านี้คือสาระตอนนี้ที่เราจะพึงยึดถือก่อนนะยึดถือเอากุศลยึดถือเอาสัมมาทิฏฐิเหล่านี้เอาไว้ให้ให้มั่นเนี่ยนะ ยึดถืออะไรมั่งทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราจะถือเอาร่องสัมมาทิฐิเป็นหลักนะทวนนะถือเอากมสุตตามยะยานสัมมาทิฐิเป็นหลักสุตตามยะยานนี่คืออะไรอ่นะรู้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่ควรกำหนดรู้สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรทาให้แจ้งนี้เหตุอันนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมนี้ส่วนแห่งความลำรงอยู่นี้ส่วนแห่งความพิเศษวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ส่วนแห่งการ ชั้มแร ก, กเกล็นี้อันนี้จังเพราะสิ้นไปทุกขังเพราะน่ากลัวอนัตตาเพราะไม่มีสาระนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธทคามินีปฏิ ป, ปทาอันนี้เป็นสุตตามยาญาณเมื่อเราเข้าใจสุตตวานสังวเวรปัญญาศีรมเยญาณังเมื่อเข้าใจตามนั้นเสร็จสังวรตามนั้นเป็นศีรมะเยญาณเมืยายาม่อสังวรแล้วก็ทําจิตให้ดํารงมั่นไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิภาวนามายญาณให้จิตดํารงมั่นจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตดํารงมั่นเป็นสมาธิอย่างนั้นแล้วกําหนดปัจจัยเนี่นะปัจจัยปริกระหายานเมื่อกําหนดปัจจัยแล้วพิจารณาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นโดยสังเขปโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเป็นสัมมสนญาณพิจารณาเหตุเกิดและความดับของสังคตธรรมทั้งหลายก็เป็นอุททย พ, พย า, ยาัญชนะ พิจารณาเห็นแต่ความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกทาลายไปก็เป็นวิปัสนาญาณเห็นวัตตะเหล่านี้เป็นของน่ากลัวก็เป็นอาทีนวยานเนี่ยนะอาทีนะวายานนิพพิธายานสลับกับสันติวรบทญาณสันติบทญาณเนี่ยนะญาณที่ตรงกันข้ามแล้วพิจารณาเป็นสังขารุเปกขาญาณอนุโลมยานโคตรภูญาณแล้วก็มัคคายานเนี่ยนะมัคคยานผลญาณ จนถึงว่าวิมุตติยานวัตุนาตนานัตยานเป็นต้นก็ให้ความเห็นของเราเนี่ยขีดเป็นไปตามร่องที่ท่านพระสารีบุตรท่านท่านวางเอาไว้อย่าลืมว่าความเห็นอันนี้เป็นความเห็นมีเฉพาะของพุทธาอขงพระพุทธเจ้ากับของท่านพระพุทธสาวกเท่านั้นทั้นถ้าเรามีศรัทธาเห็นว่าความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ดีเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เป็นความเห็นที่ควรเจริญเราต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้เนี่ยนะเราต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้การเห็นอย่างนี้แล้วเอามาเจริญตามนั่นแหละเป็นองแห่งประธานนะเรียกว่าองคอันเป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์ก้าวย่างนี่คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์น่าเอามาคิดนะว่าถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเส้นทางดำเนินของเราต้องเป็นไปเส้นนี้แหละมามาดูอ่ ในหมวด9ก่อนเนี่ยนะเอาอธิบายหมวด8กับหมวด9สลับกันนะควบคู่กันไปว่าหมวด9้าคือนวะปริสุทธิที่ประธานนิยังขานิองค์อันเป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์9้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งสีลวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิสามทิฏฐิวิสุทธิสี่กังขาวิตรณวิสุทธิ5มัคคามัคคาณทัทสนวิสุทธิ6ปฏิปทายานัทสนวิสุทธิเจ็ด ญาณทัศนวิสุทธิแปดปัญญาวิสุทธิเก้าวิมุตติวิสุทธิ